น, นี้ประชากรลดเหน่วยเล่นน้ำพวกนี้ไม่ได้เป็นอาบาตไม่ได้ฉันไปฉันข้างนอกแล้วคนที่รอส่บาตรเดือนนี้จะยุ่งยากหนึ่นงบินไปไดีมาอาที20่20 21ก็ไปต่างจังหวัด ีิเวศกรรมคำแต่วันพระหน้ายังอยู่วนพระใหญ่วันทีวะฮะก็ไปยาวยจนถึงที่สามสิบไปหลายทุระทุรังไปโครากกลับมาไปวัดอโศกรามกลับมาบไปรอ รับครามรำคาญทางญาตที่30มสกลับมาตอนคำที่ฆ่าวันก็ไปอินโดยาวครึ่งเดือนกีบอกว่าสบายโอ้สมาร์ทมันกว้างขึ้นแล้วมันนั่งสบาย สบายในภาษาธรรมะไม่ได้แปลว่าสบายกายสบายใจสบายในความหมายคือสบายะสปายะสีอย่างหนึ่งอาวาตคือที่อยู่ที่พักทีอาศัยสปายะสะดวสบายไปม า, าสูงสองคนงนั่น คนทีอ่อยู่ร่วมกันจะต้องเป็นกัลยะาณมิตรคิดต่างกันได้ทำต่างกันได้แต่ติบบอยู่ร่วมกันได้กัลยะาณมิตรคือมิตรที่างดีตอกันส่งเสริมกันในทุกด้านถ้า ม, มีกัลยะาณมิตร อ, อยู่กันไมได้ อ, อยู่กันก็ไม่เป็นมิตร หรือบคคสัพยะสามคืออาหารการกินเอาเจรอบันดีไปต่างประเทศที่อาหารมันกไม่สัพยะเพราะว่ามันคุ้นมันได้คุ้นเคยกว่าจะปรับตัวแต่ว่าจะต้องต้องปรับอันนี้คือสัพยะตตัวสุดท้าย ตัวสำคัญมากาคือธรรมะธรรมะสปายะถ้าอยู่ด้วยกันแล้ธรรมะไม่เข้ากันเข็ดไปคนละทิศคนละทางโดยเฉพาะยุคปัจจุบันอาคาว่าธรรมะนะนึกถึงปูเอ็นทุกทีระหว่างธทมโบกะรรมมับทมเมา หลวงปูดก็จะยำวันหลังค่อยเอาในภาษาก็ได้นะค่อยเราธรรมะหรือเกล็ดความรู้ของครูอาจารย์แต่เรารูปเต่เองค์นิดเียหน่อยว่าท่านมีสาระมีปฏิปทายัางไงแต่เราองค์อยู่ได้แต่แปดสิบเก้าสิบปี ทำไมท่านจากไปนานแล้วผู้คนยังคคารพนับถือศรัทธาเป็นเก็บความรู้เล็กๆแต่ น, น้อยเพราะว่าวันนี้เวลามเข้าสู่ธรรมะละ้วธรรมะจะไปอยู่ที่ความความเข้าใจว่าธรรมะมันคืออะไรบอกว่าธรรมะคือคำพูดคำสอนของใคร ดิาถามะทำมันเกิดแต่และองค์ก็ไม่เหมือนกันแต่ว่ามุงไปที่ความจริงคือสัจจะคือฝั่งธรรมะไม่ต้องเป็นสัจจะต้องเป็นความจริงไม่ต้องเป็นธรรมชาติมันต้องเป็นกลางจะเป็นธรรมะได้ธรรมะมาเป็นธรรมชาติก็คือใจใเราเข้ากับธรรมชาติได้ คือเข้าใจธรรมชาติเข้าใจความเป็นจริงที่มันมีอยู่ในตัวเราตัวเขาร่งการปฏิบัติให้เข้าถึงให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งก็คือเข้าใจรูปนามของตัวเองเป็นหลักก็คือธาตุแล้วก็ขันทันอย่างไรที่จะเข้าใจธาตกันในการทำงานของเขา จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเช่นรถยนต์นกลไนกะก็คือเข้าใจการทำงานของเข า, าองค์ประกอบอย่างรถยนต์มัน้ข้อประกอบเพือะไรมันถึงจะวิ่งได้วิ่งช้าวิ่งเร็วเพราะอะไรที่มันวิ่งไม่ได้เพราะอะไรมไีอะไรมันก็ต้องซ่อมมันขาดอะไรอย่างนี้เป็นต้นร่างกายข อ, องเราก็เหมือนกันที่มันวิ่งไปวิ่งมาน ตัวขับเคลื่อนคือใครใครเป็นตัวขับร่บางกายของเราถ้าร่างกายของเราคือธาตุจีวรหาคือดินน้ำไบลมรูปเทชนาต่างๆกันต่างคือขันตัวขับเคลื่อนคืออะไรพอตัวขับเคลื่อนอตัวสำคัญสำคัญไปถูกทางไปผิดทางไปช้าไปเร็ว ต้องมีผู้นำทางคนคือคนขับนั่นแหละคนบังคับแต่ออกนอกโลกนอกทางเขาปาเขาดงมันก็เสียเวลาเสียเวลาในการเดินทางเร็วลงทางกลายเป็นผู้ลงทางเพราะนั้นก่อนที่เราจะขับเคลื่อนรูปขันนามขันอันนี้ได้ เราต้องเข้าใจระบบการทํางานของเขาเมื่อเราเข้าใจระบบการทํางานของเขาแล้วมันจะรับคลับเคลื่อนถูกจะได้เข้าใจตามสภาวะความเจริงว่าทานก็คือทานกันก็คือขันรูปก็คือรวบน้ําก็คือน้ําแต่เขาก็อยู่ด้วยกันไปด้วยกันนี่เริ่มจากรวบอะไรเราเข้าใจพอไปถือว่ายากที่สุดละ พูดถรวบรวมเนี่ปปราจะรวบโดยข้าวรวมก็กียว่ารวบไปแล้วกันว่าจะเป็นจะแรกผู้ิงจะเรียกผูก้ชารวมนั่งนี้น น, นก็รวบโดยภาพรวมอันนี้เป็นของยากลังแกล่ตัวนั้นก็เป็นเรื่องทางน้ำมันมีอิทธิพลต่อกันอย่างไรมันเชื่อมต่อกันอย่างไรมันเชื่อมโยงกันอย่างไรมันทําไมถึงเกิด ความรักขวามหลงควา ม, วามโกรธอยู่ในวงการอยู่ในวงจรก็คือเวทนาแัญญาขามยามัเกิดอย่างไรมันเกิดแล้วก็จะอยู่กับมันอย่างไรเรารู้ยังไงว่าตัวไหนเป็นตัวอะไรใต่งางการันยิดรู้เป็นหลักก็คือเข้าใจว่าอันนี้ทาตนะอันนี้ดินมีน้ามีไฟมีลมเขาอยู่ด้วยกันทำหน้าที่กัน อันนี้หมันถึพู ด, ดีึงคนเป็นไม่เกี่ยวคนตายคนตายไมไ่รับรู้อะไรไม่รู้จะรู้คือดินน้ำไปลมก็ไม่มีแบบว่าธาตุก็ไม่ครบทั้งสี่มันก็ไม่ครบแล้วเพราะไม่มีลมคือลมหายใจนั่นก็เป่าลมสำคัญที่สุด เมื่อไม่มีลมหายใจแล้วก็อยู่ไม่ได้ตัวโรคตัวหนายู่ไม่ได้หมดลมหายใจเะ ล, ลมหายใจเป็นสาคัญเพราะะฉนั้นจึงย้าอยู่เสมอว่าลมหายใจนี่สำคัญเพราะนั้นเมื่อก่อนสําสคัญแต่ก็ต้องเข้าใจว่าลมคืออะไรมันหายไปได้ยังไงมันเลือดได้ใจยังไงนั่นแหละคือความหมายของลมหายใจ เมื่อเข้าถึงใจเข้าใจแล้วนี้สิ่งที่มันเป็นนามอ่ะซึ่งมันเข้าใจยากมันแต่ตองอะไรมาสัมผัสไม่ได้เพราะมัมมเป็นอารมณ์คำว่าอารมณ์รับมาแล้วมันยินดีไม่ยินดีพอใจไม่พอใจผลนจะา ม, มาเลยสุขทุกเฉยๆนั้นจะอยู่กับเขาอย่างไรอยู่กับสุขอย่างไรอยู่กับทุกข์อย่างไรอยู่กับอารมณ์ที่เป็นเฉยๆอย่างไรนี่เริ่ม ทำความพอใจตัวทด่สองคือเวทนาเวทนาของกายก็จะกลับเจ็บปวดจากใครถูกดบขันเวทนาของใจคือข้างในเวทนาของกายเรารู้ปวดเจ็บปวดแต่ใจในถ้ามันไม่เอาใจใส่ทางกายมันจะมีความเจ็บปวดนี่ก็ไม่เวทนาทางกาย เชนเจิตเราสงบมาอปนาสมาธิในเรื่องขอกายมันจะไม่รู้ไม่ว่าจะเรื่องกันเจ็บกรรัรปวดนักปวดเอุจจาระปัสสาวะย า, ายานุบาจานทร์ท่านังที่เจ็แปดชั่วโมงสิบชั่วโมงไม่ลุกไปไหนทาไมทําไมไม่ลุกไปอุจจาระปัสสาวะเพราะว่าท่านไมด้เอกจิตไปอยู่กับกายข้างนอกมาอยู่ข้างใ น, นมาพอร์ส่วนกัน แต่ไม่ได้ก็จ้ถอนจิตออกม า, มารับรู้กายธรรมชาติของกายมันก็ทําหน้าที่เย็นดอน อ, อ่อนแก่งแก่ปวดความรู้สึกคือเวทนามันก็มาตามธรรมชาติของม อ, อัตโนมรติกะนั้นก็จะเริ่มรู้คําว่าปวดรู้รู้คำว่าร้อนหนาวเย็นเป็นตน้นแต่จิตไม่อยู่ข้างในแล้วมันไม่รู้ไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวไม่รู้เย็นคืบมีปัสสาวะ เมื่อภาษานไม่เกิดเวทนาเราก็ไม่เกิดมันดับไปเลยอัปปนาคือมันดับไปเลยเหมือนไม่มีตัวไม่มีตนอนัอัปปนาสมาธิแต่ไม่เกิดปัญญาท่นเองแต่มันได้พักคือผักลึกถ้าบอกคนนอนหลับก็หลับลึกหลับโดยไม่ฝันก็ไม่มีนิมิตเดี่ยวคำนี้ไม่ดีคือฝันเพราะทอนจิตมาอุปัจราสมาธิมันรับรู้อันที่ได้เกิดประโยชน์ แต่ว่าการรับรู้ของเราเรากลับเสียประโยชน์คือไปรับรู้แล้วไปติดตัวที่การรับรู้คือสบทุกเฉยๆมอสุกเกิดขึ้นแล้วก็ไปอยู่กับสบทุกเกิดขึ้นมันก็ไปอยู่กับทุกโดยที่เป็นเวทนามันฝังไม่ได้เนี่ยนี่คือข้อเสียตอนนั้นแท้จริงแล้วมันเกิดจากเราไปรับเอามาอารมณ์อารมณ์รำมาม า, มามบา่ายินดี รับมาเราเย็ยนดีไมเย็ยนดีพอใจไม่พอใจนั่นต่างหากไม่มีอุปเอยขาโดมคือวางเส้นนั้นไม่ได้เราจริงเรียอเราไม่รู้จักเวทนาแค่ตัวที่สองตัวรูปเริ่มเข้าใจแล้วการทำงานตัตู้เวทนาเราไม่เข้าใจเมื่อเขาใจกขาารเป็นทาสบางทีประชาชอยู่หรวงพอเราว่าเราเป็นผู้ถูกล่าหรือผู้หลา ถ้าเราเป็นผู้ถูกล่าเราก็กลายเป็นเหยื่อเด๋วเราก็กลายเป็นเหยื่อยือของเขาแต่ถ้าเราเป็นผู้ล่าเองเขาก็จะเป็นเหยื่อเราเราก็จะเป็นผู้ล่าเราก็เลือกเอาคือคือเป็นธาตุท่นเองเป็นธาตุของอารมณ์เราก็ตกเป็นธาตุคืออารมณ์ปริเป็นผู้ล่าก่อนหนาเราเราก็ถูกล่าสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอย่างเงี้ยเมื่อมันหิวก็ล่า คนที่ดูแลกลายเป็นเยือ่อตกเป็นอาหารนั น, นโดยเฉพาอิ่ไปมื้อหนึ่งเราเนี่ยก็เหมือนกันเราไปสนองเวทนาคนนี้ก็คือสุขเวทนาทุกขเวทนาไม่สามารถที่จะวางได้เพราะไม่เข้าใจเริ่มต้นจะไม่เข้าใจแยกแยะไม่ออกว่าเวทนาเป็นเรื่องของกายเปเรื่องของใจแต่ที่สำคัญคือไม่เคยรับรู้เลยว่าถ้ามันหลบตัวนี้ได้ คือมันวางตอนนี้มันดับไปเลยเหมือนคนนอนหลับแต่ว่าคนนอนหลับมันมีสติเวลานอนหลับการรู้กายมันน้อยพูดง่ายๆคือรู้ตัวน้อยคือจะบอกวันน้อยแทบแบบไม่รู้ตัวเลยเวลานอนหลับคือไม่รู้กายคนยังไงการขึ้นไว้ไปวแต่ไม่รู้นี่ก็เรียกว่าไม่รู้กายเมื่อไม่รู้กายก็กำหนดกายไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่คนยังไงคือไม่ต่างอะไรกับคนตาย ก็เราจะท่านลมเท่านั้นทาอยู่จะทำให้ประสานให้เราอยู่ได้ลมเข้าลมออกก็ไม่รู้มันเข้ายัางไงก็รู้มันออกอยังไงก็รู้เมื่อมาถึงเวลาตื่นขึ้นมามันมีผรรษะรกระทบเย็นดอนอ่อนแกงเสียงเรื่มเปิดตาเรื่มเปิดมันรับรู้ภายนอกแต่ว่าการรับรู้เป็นการรับรู้ภายนอกข้างนอกตัวเวลาแต่ตัวเองไม่รู้ เราเป็นอย่างนี้มาตลอดตลอดชีวิตคือไม่รู้ตัวเพราะนั้นการกำหนดทุกอย่างจะเรียกว่าคาบริกรรมจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ต้องการให้เรารู้ตัวนี่แหละคือสติอยู่กับตัวเองเป็นไงให้การตัวตนหลวงพ่อจะพูดเสมอวันหนึ่งรู้ตัวรู้ตัวทีทีไบ่อยนานๆไปจะเกิดตัวรู้รู้ตัวกับตัวรู้ ถ้าตัวรู้เกิดขึ้นแล้วเราก็จะรู้จักว่าแยกแยะออกเริ่มมีความฉลาดเริ่มมีปัญญาการรู้ตัวเนี่ยมันเป็นสัญญาแค่เกิดตัวรู้มันเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นแค่เรารู้ตัวเนี่ยก็ว่าสัญญาอย่างหนึ่งละเพื่อให้มันเกิดปัญญาแต่ว่าการรู้ตัวของเราก็น้อยวันวั น, วนหนึ่งเราไน้อยมากที่วนน้อยมากๆ ลืมตาเมื่ไหร่ก็เห็นแต่ปลายใจปายนอกหูเปิดเมื่อไหร่ก็ได้ยินก็ที่ข้างนอกอย่างนี้เป็นตอนเพราะนั้นการรู้ตัวเองจึงน้อยเมื่อรู้ตัวเองน้อยก็คือแทบไม่รู้จักตัวเองเลยยืนเดินนั่งนอนถ้าไม่มีสติสติไม่สมบูรณ์สติน้อยก็ไม่รู้ตัวเพราะนั้นการฝึกยืนเดินนั่งเพื่อให้ตัวเองมีสติ มากขึ้นแล้วก็ต่อเนื่องความต่อเนื่องเลยสาคัญมีสติแต่มีบ้างไม่มีบ้างแต่มันไม่ต่อเนื่องเราก็จะถ า, าวรรมว่าทาไมการปฏิบัติของเราจึงไม่ได้ผลก็มันไม่ต่อเนื่องก็เหมือนกินข้าวกินคำสองคาอยากมันอิ่มแล้วมันอิ่มเที่ไหนไมีอิ่มมันอองค์ประกอบไปเยอะพี่กินข้าวอย่างาเดียวไม่ได้ต้องมีกับผักผลไม้น้ํำมีองค์ประกอบของเขาแต่ว่าเรากิน ตักเข้าไปคำสองคนปฏิบัติในนิดในหน่อยแล้วถามหาความสำเร็จมันจะไปได้มาจากไหนความเพียรมันไม่มีวิริยะมันไม่มีแสดงความเพียรเราไม่เราลดแสดงเสียงนี้คือสิ่งที่เราขาดเราขาดก็เพิ่มเพิ่มปริมาณเพิ่มจำนวนเพิ่มคุณภาพให้มากขึ้นกว่าเดิมกว่าเก่าจนวันนี้ทำสิบนาที เาวานาสิบหนาทีต้องเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ, ๆ, ๆจริงๆแล้วปริมาณถ้าเราทําเป็นแล้วไม่ความสําคัญมันไม่ใช่ว่านั่งนานยืเนเดินนานแล้วดีมันไม่เกี่ยวกับดีหรือไม่ดีถ้าเดินแล้วนั่งแล้วมันไม่เกิดปัญญาใดๆเลยจิตไม่เป็นสมาธิ กินไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเดินไปเดินมาแต่สติไม่อยู่กับตัวมันก็ไม่ได้อะไรแต่มัได้ออกกับร่างกายอย่างน้อยคืออยู่คําบริกรรมอย่างน้อยสุขก็ได้สินมัคือได้กายได้วาจาร์คือสงบกายสงบวาิจาร์ได้สงบใจยังไม่มีแต่ก็ ย, ยังดีก็ ย, ยงัยยงมีอานิสงส์อยู่บ้างอย่างน้อยทุบทเราเดินก็คือเป็นดีต่อสุขภาพมันเคลื่อนไหวไปมาส่างขานร่างกายเลือด หมุนเวียนทำให้ร่างกายแข็งแรงติงเง ừ, งป็นที่วางคว่าจงกรมคือเดินกลับไปต่อมาพเพราว่าร่างกายไม่อิ่มหลังจากนั้นเอาพิจารณาว่าสัญญากับปัญญาต่างกันอย่างไรดเรื่องากาให้เรามีความ ร, รู้ตัวโดยวิธีใดก็แล้วแต่นี้ก็าฝึกสัญญารู้ตัวเช่นสุขเวทนาก็รรู้ว่ามันสุขเวทนา ทุกขเวทนาการู้เรื่ทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาก็รู้ที่เวทนาที่มันรู้เพาอะไรเวทนาสัญญาเริ่มไปตัวที่สองมันรู้อย่างนี้มันเป็นสุขเวทนาที่มันจํามันเป็นหน้าที่ของมันแต่นี้เรว่าทุกขเวทนาสัญญามันก็ทําหน้าที่ของมันอันนี้มันเฉยๆเหมือนอะไรเกิดขึ้นก็เจเป็นกลางหรือมันไม่สนใจอะไรมันวางอารมณ์ได้ ทำไมมันรู้เอย่างสุขมทุกข์เนี่ยเกิดเพราะว่ามันไปปรุงมันเป็นสุขอย่างนั้นเพราะมันไปปรุงคือสังขารสังขารมันไปเอาร่างกายความรู้สึกความคิดปรุงแต่งเนียเป็นกระบวนการของมันมันก็ไปปรุงมันไปแต่งอย่างปรุงอย่างนี้แล้วมันสุขปรุงอย่างนี้มันทุกข์เหมือนเราปรุงอาหารแปลว่าอะไรแปลว่าอาหารเนี่ยเราปรุงไงก็ได้ให้มันกลมกลมให้มันพอดีถ้ามันเค็มไป มันก็ไม่ดีเรียวไปมันก็ไม่ดีหวานไปมันก็ไม่ดีนื้อคไม่พอดีก็คือสังขารนี่แหละแต่เราก็ไม่รู้จักรู้จักเงินนี้งปสูงทุกเพราะว่าสังขารเป็นตัวปรุงเป็นตัวแต่งปรุงแต่งเกิดอะไรจิตมันก็ไปยึดยุติการเป็นหลักสังขารวิญญาณเกิดรับรู้ว่ปรุงอย่างนี้แล้วมัชิมแล้วมันเป็นอย่างนี้รสเปรี้ยวหวานมันเค็มเป็นสังขารวิญญาณคือการรับรู้ เรารู้เสร็จแล้วมันวางสิ่นั้นไม่ได้มันไม่ได้ิดว่าเป็นธรรมชาติน่ะถ้าเราคิดอย่างเนี้ยมันเป็นกระบวนการธรรมชาติของเขาเขาเกิดอย่างนี้ลําดับขั้นตอนวิธีการของเขากระบวนการของเขาเป็นอย่างนี้เหมือนเราปรุงเขาอาหารมันอยู่ที่เราแต่นั้นจะปรุงให้เป็นอะไรมันอยู่ที่เราวถ้าเราปรุงแล้วอย่างเนี้มันเปรี้ยวนะมันหวานมันเปรี้ยนะถ้ามัอยากไม่ให้เปรี้ยจะไปปรุงต่อ มันก็อย่าไปชิมอย่าไปกินมันต่อรู้แล้วมันเผ็ดไปอย่าไปกินคือจะไปเสพคือจะไปทําต่อเนื่องอีกแต่มันไม่รู้คือมันไม่รู้ตัวมันอวิชามันไม่รู้ตัวมันก็ไปปรุงไปแต่งอยู่อย่างนั้นอะไรก็ว่าไม่ฉลาดทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดขึ้นเนี่ยก็เลยว่าไม่ฉลาดคือไม่กุศลที่เราฝึกต้องการให้เป็นเป็นกุศลคือฉลาด เราดูอย่างนี้แล้วมันไม่ขึ้นไปได้ก็โอ้อันเราไม่ฉลาดเราคือเรารู้ว่าเ อ, อเราคิดอย่างนี้นมันไม่สบายไม่สบายใจไม่สบายใจเช่นคําพูดของคนอื่นได้วแท้ไม่เกีเยก่ยว ก, กับเราเลยลมปากของคนอื่นแต่เราออกมาคิดคือมาปรุงนั่นแหละแต่ปรุงเสร็จแล้วไม่สบายแต่ก็ยังปรุงอยู่ไม่ยอมหยุดเดี๋ยวไม่ฉลาดคือไม่มีปัญญาคือได้แต่สัญญา ปุโรหในขณะนั้นเราใช้สัญญาเราไม่ได้ใช้ปัญญาปัญญานไม่เกิด้าพวกนี้ปัญญาก็หยุดหยุดปรุงหยุดคิดหยุดต่อแต่ก็เป็นธรรมชาติของเขาขั้นตอนของเขามันเป็นอย่างนี้นี่คือการเรียนรู้เภวัฒนาการของตัวเองการปรุงกันแต่งของตัวเองนะั่งอย่างนี้ทุกวันก็เห็นให้มันเห็นอย่างนี้ทุกการขั้นตอนของเขาสุดท้ายเข้าใจว่าเออสี่ตัวหนึ่งตัวคือรูปกับนาม เขาอยู่ด้วยกันเขาทําหน้าที่กันระังนั้นทุกคนมีหมดแต่ว่าปีแล้วใครจะรู้เท่าทันแต่สิ่งเหล่านี้อันนั้นเป็นปัญหาแต่และคนเป็นเฉพาะบุคคลถ้าเราเรียนรู้น้อยทำน้อยปฏิบัติน้อยฝึกน้อยประสบการณ์น้อ ย, อย <c oughs> ก็ไม่ทนก็ไม่ทันเขาเพราะว่าจิตดวงนี้โดนค้องงนมานานแสนนานเดี๋ยวเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นปี อยู่สภาวะอย่างนี้ถูกกดถุกดันทียสภาพนี้เราคิดไม่ได้ไม่สามารถที่จะหลุดพน้นจะโอ่งตอนอันนี้ได้เม่อเช้าเราพูดเรา ว, วัตตะก็เพราะว่าเราไปคิดอยู่เหมือนเดิมอยู่อย่างนี้เราไปพูดอยู่เหมือนเดิมอย่างนี้เราไปทำเหมือนเดิมอย่างนี้นี่คือวัตตะมันเป็นนางวัตตะวัตตะคือต้นตนจากกิเลสทํ า, าสมบัตกิเลสทําให้เกิดการกระทําหรือว่ากรรมเกิดการกระทำทางกรรม ากายกรรมวิญญากรร ม, มโมกรรมเกิดการกระทํำกันมาเมื่อมีการกระทำํำเราต้องมีผลของการกระทำคือผลงานของมันคือวิปากวิปากะหรือวิบากดูผลของมันอย่างนี้บันจะวนย้อนใช่ไหมเราคิดไม่ดีอย่างน้อยมันมีอิทธิพลต่อตัวเองละทําให้เราซศร้ามองไม่สดใสไม่สดชื่นให้อิทธิพลต่อตัวเอง แค่ควาคิดกาพูดออกไ้แสดงผมอ่าไม่มีอิทธิพลมันเป็นปฏิกิริยาต่อต่ อ, ต อ, ต อ, ตอยิงแสดงออกด้วยการกระทํำทางกายมันจะมีผลทันทีเป็นทําร้ายทํำลายซึ่นกันเลยกันหนาดีบาคที่ตามมากะตัวบทกฎหมายกติกาสังคมเขามีก็มีกฎก็มีกติกวากวา่กวากดไปล่วงละเมิดคนอื่นไม่ได้พวกไปทําร้ายไปทํำลายไม่ได้อันนั้นเป็นกติกาเพราะว่า เราไม่สัรมรวมม่ระมัดระวังตัวเราเอง น, ะนี่คำว่าวัตตะสำหรับคนที่หมดแล้วพ้นแล้วคือมีวัตตะที่ปิดแล้วเรียกวิวตตะสมาธิการรู้จักความคิดตัวเองก็พูดการทําทำของตัวเองได้คือควบคุมได้ไดวัตตะตัวนี้ที่เป็นวงไปเรียนมามันก็เปิดเหมือ น, นตัดวงกลม มันเป็นวงจรนะั้นเราก็ตัดวงจรดุลคงมันก็เป็นเส้นตรงมันไม่กลับมาที่เดิมและวถ้าเป็นสมาธิฏฐิหรือตัวใดมีสินมีสติมีปัญญามีจ ะ, จะเดินต่อไปข้างหน้ากลับไม่กลับมาที่เดิมกแไปเราจะเริ่มเดินทางไปไปกลขึ้นใกลขึ้นเป้าหมายไกลขึ้ น, น, น, น, นแต่นี้ไม่ไปไหนไมาไหนเราอย่างบนไปเรียนมาอ ย, อยู่อย่างเงี้ยอยู่ในความคิดการพูดการกระทำเริ่มเดิมด ม, มันไม่ไปไหนมาไหนแต่เราไม่รู้ ม่ดูว่าเราเรามีพฤติกรรมอย่างนี้ในชีวิตประจําวันอันนี้แหละจะเรียกว่าผลในการปฏิบัติเพื่ออำมาชาัยอย่างนี้เพื่อย่างน้อยก็จะเปียบเทียระวงเออสัญญากับปัญญามันต่างกันนะอย่าไปคิดว่าเราจําดีความจําดีเรียนดีเรียนสูงแล้วมีปัญญาคนมีปัญญาไม่ใช่คนมีปัญญาทํามต้องฆ่าตัวตายเป็นศาสตรจารย์เป็นด็อกเตอร์ทำไมต้องฆ่าตัวตาย ทำไมต้องทำร้ายทำไมต้องทำลายกันคิดคนเพื่อทำลายกันคนที่สมองดีแต่คิดอาวุธยุ่โธปรกรณ์ทุกวันนะ่ะเกิดจากอะไรก็จะสมองของมนุษย์นะี่แหละแต่คิดออกมาเพื่อปรารประหารกันเพื่อทำลายล้านซึ่งกันและกันตอนนี้โดยฉลาดนะจะเกิดศึกสงคารามอยู่ทุกวันเนี่ยกระเพ๋าะก็จะสมองของเราเนี่ยของของมนุษย์นะ่ะหืะแต่ตัวเองมาคิดดีแต่ หารู้ไหม่าที่คิดดีนะคือคิดทําลายล้างซงกันและกันถ้าจะว่าไปแล้วมันยิ่งกับพวกสัตว์อีกพวกสัตว์ก็ทําไม่ได้อย่างมากก็ใช้ของที่มีอยู่อาวุธที่มีอยู่และปากปันเคี้ยวเขาเท่าที่มีอยู่มือจีนที่มีอยู่เอาไปทำลายตายกันและกั น, ก, นก็ได้แค่นั้นไม่เหมือนมนุษย์นะมนุษย์ทำลายล้างทีนะโอ้โระบบนดเวศโตมทีตายกันเป็นร้อยเห็นหดี๋ยวมันเลี้ยวเคลียร์ลงทีนะโอ้ไปทั้งเมืองเลย แล้วก็ถ้าเออเป็นฉลาดเนียรียกว่าฉลาดได้ความฉลาดฉลาดในการทําลายล้างซึ่งกันและกันแต่ถ้าเราคนมีปัญญาแล้วจะไม่ทํำลายล้างซึ่งกันและกันจะยุติการทําลายลาย้างโดยเฉพาะยิ่งเกิดตัวเองไม่ทําร้ายคนอื่นไม่ทําร้ายตัวเองโดยความคิดโดยคําพูดโดยการการะทํา หมายก็ว่าความคิดก็ตามกับพูดก็ตามการกระทําก็ตา ม, าม ท, ที่ทําไปแล้วตทตอนแล้วจะไม่มาย้อนทําร้ายทําลายตัวเองและผู้อื่นนั่นก็แปลว่าทําไปแล้วตัวเองก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนนั่นเนี่ยคือธรรมะคือความเป็นธรรมความเป็นกลางความเป็นจรงิงซึ่งมันเกิดขึ้นในยากแล้วการมนุษย์เราควที่ไม่ฝึกไม่หัดในปฏิบัติ เพราะนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือถ้าใครปฏิบัติได้อย่างน้อยที่สุดก็หยุ่การทำํทำบ้าทาลายตัวเองและที่สุดก็คือเป็นที่พึ่งปฏิพึ่งอย่างน้อยก็เป็นเพื่อนฝูงให้คําแนะ น, นําปรึกษาแนะนำได้นำได้ในระดับหนึ่งย่จะน่ากระปลอบแก้ไขปรับป ร, บป ร, บปรุงให้มันดีขึ้ น, เ ป, นเป็นอย่างเป็นอย่างเป็นกิจลยานวิธีดีมีกมเป็นก้อนดีมีเพื่อนดี บอกมีเพื่อนดีเพียงหนึ่งตึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนเชื้อสายามนมีเกลือแมนิดน่อยโดยราคาอยังนีกว่าน้ำเข็มเต็มทะเลเป็นาสิทเขาอันนี้อะไรว่าขอขอเป็นเพื่อนในนั้นเขาเป็นเพื่อนที่ดีนี่เพื่อนที่ดีไม่ต้องมันมีมามีไม่กี่คนก็ถือว่าดีแล้วแต่เพื่อนที่มีดีเนี่ย มีเป็นร้อยก็มีประโยชน์อะไรมีเป็นพันเป็นหมื่นก็มีประโยชน์อะไรแล้วนั้ น, น, นเพื่อนที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเองนี่แหละแต่เพื่อนครูคิดแต่เราคิดดีพู้ดีทดําดีอันนะี้นั่นคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเราแล้วไม่ต้องไปแสวงหาเพื่อนที่ไหนแหล้วแต่ถ้ายังมีเพื่อนที่ดีต้องแสวงหากริรยา น, นิมิตแสวงหาครูบาอาจารย์เพื่อทำให้ตัวเองเย็นเย็นขึ้นดีขึ้นปรับปรุงตัวเองนั้น อันทีงทการปฏิบัติธรรมก็คือถ้าเราคิดได้อย่างนี้เราจะเข้าใจก็ค่อยๆเรยียนนิดเดียวนิดโดยเฉพาะอางยิ่งคือท่าสี่กันหา้าตัวตัวเองคือร่างกายสังขารของตัวเองซึ่งวันหนึ่งเราไม่สามารถที่จะศึกษาเรียนรู้สิ่งนี้ได้เมื่อล้มหายใจจากหมดลมหายใจไปแล้วหมดสภาพดินเป็นดินน้าเป็นน้ําไฟเปไฟลมเป็นลมส่วนสีตัวคือเวทนาสังขารมันไปต่ อ, ม, ตอมันไปต่อได้ยึดยึดที่มัน มโนคือใจก็เอามาเป็นภาพมันเรียกว่าพบอะไรนี้เรามัเรียกว่ารูปอย่างนี้ยก็เรียกว่าพบเดิมทีอยนี้เขาเรียกว่ารูปเมันเหลือสีตัวก็คือเวทนาสัญญาตางกันสัญญางรูปอันนี้มันแตกสลายรูปก็คือธาตุดินน้ําไฟลมมันแตกไปมันก็เหลือสีตัวเทปใจมันยึดเอาไว้เป็นมโนมโนคือใจภาวะดูพบก็คือภาพก็อาศัยภาพแนั้นไป ภาพที่เรานื้ขึ้นมาได้อาศัยตัวนั้นแ่ะแต่นี่ภาพตอนนี้เกิดภาพที่ไม่ดีก็เกิดขึ้นภาพวันนั้นเรียกว่าการมาพบคือการมาภาพรูปประกอพบกัรูปภาพอรูปปพบคือไม่อาศัยรูปอารูปกองค์ของฌานคือรูปฌานกับอารูปฌานถ้าใจยังคล่องอยู่ในสิ่งเหล่านี้เป็นสัตตะคือคล่องอยู่ในสิ่งเหล่านี้มันจะไปช้าไปเร็ว อาจจะอยู่นานยในองค์องแห่งพบแหงชาตินั้ น, น, นอาจจะอยู่นานหน่อยเรียกว่าภาวะองค์แห่งพบแห่งชาติภาวะคือพบแล้วพบมันเกิดขึ้นเพราะะนั้นก่อนเป็นพบ ก, ก่อนที่เป็นชาตินั้ น, น, นเป็นพบมาก่อนเราก็มาจากพบนี่แหละคือตามมาพบรูปพบรู้พบ ที่มาเป็นชาติคือชาติตาคือผู้ให้ก่อนที่จะเกิดอ่ะชาติตาคือเกิดแตภาษาเราง่ายๆที่เราว่าชาติชาตินี่คือเกิดก็มาจากพบพบก็มาจากไหนก็มาจากที่เราอยู่ทั่วันเพราะฉะนั้นภาพหรือว่าพบที่เราอยู่ปัจจุบันน่ะดีที่สุดแล้วเพียงแต่ว่าเรายังไม่เลือกให้สิ่งที่ดีๆที่สุดให้กับตัวเองเราไปมื่สารวนอะไรกับรู้อะไรที่ไม่ไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระมีเกี่ยวข้อง วันนี้อ่านข่าวเล็กๆกรอบฝรั่งฝรั่งมาเมืองไทยเด็กคนมีชื่อเสียงก็มา บ, บวชมา บ, บวชเป็นพระเด็กบอกโอ้เขาแสวงหาความสุขทั้งชีวิตเพราะคุณรู้ว่าโอ้ความสุขที่แท้จริงคืออะไรมันไม่เกี่ยวกับวัตถุ ธ, ธาตุสารสั่งเกี่ยวกับเงินทองมันเกี่ยวกับชื่อเสียงที่แสวงหามาทั้งหมด เรีกว่าตะวันตกเทหากันทั้งหมดเนะี่มันไม่ใช่เลยเพรอเป็นบทเป็นพระไม่มีอะไรสักอย่า ง, ไ ม, มางามไม่มีอะไรสักอย่างแปลว่ามันไม่ได้มีอะไรมันมีอยู่แล้วคือปัจจัยสีมีพร้อมอยู่แล้วพอเป็นพระเสื้อผ้าอาบอน้ำอาหารที่พักอาศัยยารักษาโรคนี่ยคือไม่ต้องไปแสวงหาไดใดเลยเห็นหชีวิตนักบวชเพิ่งไปใจว่าโอชีวิตดูความสุขสุขภาวะทางใจใเรียกได้จริงคืออันนี้อเอง น, นี่คือฝรั่งนะเขแสวงหาแนวทางแนวทางออกแต่ไม่เจอพอบวทเราเป็นพระถึงเข้าใจ อ, งองาา่าสภาะบางคนที่บินมาวันหยุดเนี่ยบินมาเพื่อปฏิบัติธรรมบ้านเราตามสำนักต่างๆวันหยุดเดือนหนึ่งฝลั่งถ้ามีวันหยุดหนึ่งเดือนใช้สิทใช้สิทธิ์ใกันวันหยุดแต่ละปีนเพื่อมาเมืองไทยเพื่อมาปฏิบัติธรรม แก่พวก เ, เนี่ยอันนี้คือฝ mm. รั่งเรื่องเหตุณลค่าวความวุ่นวายการใช้ชีวิตทางตะวันตกกับตะวันออกมันไม่เหมือนกันตะวันออกก็คือเอเชียกลางเป็บ้านเราตอนนี้เอเชียกลางก็มันไม่ได้มีความสุขละเกิดศึกสงครามกันใช่ไหมบ้านเราถือว่าสงบสุขกันมานานอยู่ด้วยกันมานานไม่เคยรบสึกู้กับใครตั้งแต่ ราจการที่หนึ่งเป็นตนมารสองร้อกว่าปีมาแล้วเราก็สงบมาตลอดยี่สิบสงครามมาได้ไปตีโลกตุศึกกับใครเนี่ยเพราะความเป็นเมืองพุทธเป็นเมืองพระนี่คือข้อดีแล้วรอบๆตัวเราก็ลักษณะคล้ายๆกันเป็นเมืองพุทธเมืองพระเหมือนกันแต่ว่าละดับความเชื่อในการปกครองบ้านเมืองมันเหมือนกันเท่านั้นเองแต่ว่าความเชื่อหรือศาสนาคล้ายคลึงกันมันถึงอยู่ได้ได้อยู่ด้วยกันได้ ่บ้านอื่นมืงไม่มีศาสนาเดียวกันประเทแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้สัตว์มีใครรบกวนรบด้วยกันต่างมีกายถือก้อนร่ากายก็ฆ่ากันได้นบ้านเรานี่มีเมืองเราไม่มีประเทศชาติเรามีนี่คือความโชคดีของพวกเราเกิดในภูมิประเทศที่ดีนี่คือความสปายะดักล่าวข้งตนก็คือธรรมะสปายะบุคคลสปายะงานสปายะสาิติสปายะแต่ว่สปายะแล้ว หรืออย่างเดียวตรงนนีะ้คือธรรมะสัพยาถ้าเราเข้าใจเรื่องสภาวะธรรมรวมๆผ่านตัวไปเรียกว่าสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วทำอย่างไรเราที่เกิดสภาวะธรรมเรียนรู้สภาวะธรรมนั้นๆแล้วก็ทําให้สภาวะธรรมวันนั้นเจริญยิ่งขึ้นไปมีวิธีเดียวคือภาวนาแหละอค่ะภาวนาแปลว่าทําให้มีแต่ให้เป็นทำให้เจริญถ้ามันเกิดขึ้นคือกายก็เจริญ ว่าใเจริญใจก็เจริญรู้ปุจเจริญนามก็เจริญจเจริญขึ้นทุกวันดีขึ้นทุกวันจะขึ้นถึงสภาวะไม่ใช่ว่าแย่กว่าเดิมก็เพราะว่าวัตตะคือความคิดวนโยเรื่อเดิมไม่ไปไหนมาไหนหนึ่อวัตตะที่แท้จริงเมื่อวัตตะก็แปลว่าติดคุก่ะคุกคือคองขังตัวเองโดยความคิดโดยคำพูดโดยการกระทํามันก็ไม่ไปไหนไมาไหนออกจากคุกอันนี้ไม่ได้ ออกจัวตะไม่ได้เมื่อออกจากโคกเปิดเมื่อไหร่วิวัตตาเมื่อไหร่บันไดขั้นแรกเหยียบเมื่อไหร่วัตะมันก็เริ่มตัดละมันก็เริ่มสั้นเริ่มน้อยลงบันไดขั้นแรกตอนนี้จิตใจเรายังไม่มั่นคงเพราะรัตนใจรายังไม่มั่นคงบันไดขั้นแรกก็ยากที่เข้าใจโดยเฉพาะที่เรารู้ประคันนามกันอนี้เราจะไม่เข้าใจเลยไม่สามารถจะละท่องปล่อยวางอย่างไรอย่างหนึ่งได้ ในสักยติทิความยึดถือตัวตนคือขันนี่แหละตัวตวนนอาเป็นเราเป็นเขาเป็นหูเป็นตาเป็นเราเป็นเขาไม่เป็นลูกเป็นเต่าหล่อหลานกันอยู่ความยึดถือมีอยู่โอมั น, นอะารันแรกอยากสักยติวิจิตรช้ายังสงสัยอยู่มีนั่นนี่นู่นไหมจริงไหมปฏิบัติได้จริงไหมนกสวรรค์พระตาลใ จ, จพูดทำสงอันยังไม่สงสัยอยู่ซื้อตประมาทยังไปเชื่อคนนั้นเชื่อคนนี้เชื่อคนนู้น ไม่เชื่อตัวเองไม่เชื่อพอรัตน์ใจเป็นหลักก็เลยเป็นอย่างนี้แหละหลวงพ่อหลวง ป, ปู่นั่งไหวอย่างนั้นแมก่กางไปกแหกไปเด็กเจ็ดขวแปดขว ก, ก็ตั้งเอก็ไปกาไปไหวเดี๋ยวที่เราเป็นเป็นกันเนี่ยมันก็กลายเป็นเหยื่อนะกลายเป็นเหยื่อเราก็ถูกล่ามนแล้เมื่อเราเป็นถูกล่ามาแล้วเราก็กลายเป็นเหยื่อเหยื่อถูกล่าเพราะฉะนั้น สิ่เหล่านี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญทดในการลงชีวิตของพวกเราออยู่ที่ว่าร์ทุกเราจะเลือกเอาเป็นคนแบบไหนะฉะนั้นถ้าเราอยากเรียบบรรณายขั้นแรกโดยเร็วก็ต้องออ ก, อ ก, อก็จะเรียกขัดกระยิวิจิตวิจาที่ย์แต่ปรามาตแค่นี้เองสังโยชน์ในเบื้องตน้นสังโยชน์ในเบื้องต่ำเบื้องต้นคือเบื้องต่ํานะเราสามารถที่ใครจะได้ตัดขาดได้ก็จะได้ตัดขาดด้วยใจ พอสมาธิจะบรรด้คณะเกิดขึ้นแล้มันก็จะไปของมันไปเรื่อยๆหมายความความมั่นคงเพราะตนะหตาใจสินมั่นคงทันทีสินเป็นอริยะการตัดสินเป็นสินของอริยะอริยะบุคคลเป็นสินทันทีแต่อื่นๆยาาอย่างละมรรดาเช่นกามรคะยังบริภโภการยังใช้การยกอย่างพวกง่ายอยงมีครอบครัวมีลูกมีเมีบยบรรดาคณะก็ยังมีอยู่ยังใช้บริการอยู่ในกรรมาภพันนี้ อย่างนาั้นกลัมาพูมาได้คันที่สองสามสจานูถึงคั้นที่สามขันที่สามับ ไ, ไม่ใช่บริการพวกนี้ละห <c oughs> มายความมีก็มันก็ไม่มีมันก็ไปแห้งไปมันมีแค่สัญชาตยานของมนุษย์ของสัตว์ทั้งหลายทั้นเองจากๆๆลึกๆเรียกเป็นสัญชาตยานแต่มันไม่มีเมล็ดพันธุ์ที่จะแพร่ไปกระจายมันแห้ง ไ, ไปอัตโนมัติของมัน เพราะมันได้สุดท้ายในข้อที่สีอันตัดขาดมองเห็นสภาวะตามความเป็นจริงดำคือดำขาวคือขาวและสเดีวกันคื อ, อวางทั้งดำทั้งขาวได้คือดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาอยู่เขาเรียกว่าพ้นคือพ้นจากสิ่งเหล่านี้พ้นจากสิ่งเหล่านี้โดยประการทั้งปวงทั้งสุขทั้งทุกข์สุขก็ไม่ติดทุกข์ก็ไม่ติด โดยประการทางปวงคือวางสิ่น้อยจะเรียกว่าพ้นจิตทันพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้แต่ท้าก็ยังอยู่ด้วยกันได้ปวดใจเหมือนเดิมเหมือนเดแต่วัฏฏะมันไม่แย่อย่างเราแตามมันเปิดแล้วไั่เหมือนวกเราไม่ได้วนไปมากลับมาที่เดิมไปพวกเราไม่มีเมื่อใดคั้งนี่สิแล้วมันไม่มีอะไรสิทธิติดกันกนได้ท่นก็อยู่โดยดับรองธาตุขันโดยตามสภาวะตามความเป็นจริงยอมรับยอมรู้ตามความเป็นจริงของเขา รู้และก็หวังทันทีความไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขามันเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของสังสารวัตรรูปร่างกายธาเจ้ค่ะความคิดการพูดการกระทําทั้งหมดมันเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องอัตโนมัติเป็นเรื่องของวงจรเป็นเรื่องของกระบวนการที่เขาจะต้องเป็นอยู่อย่างนั้นแด่เจ็ดทันเหนือซึ่งเหล่านั้นแต่กระบวนการเหล่านั้นมันก็ยังมีอยู่มากว่าอย่งมีความหิวหิวก็คือเวลาอะอย่างหนึ่งก็ยังมีเวลานาก็บําบัดก็ได้การกินเข้าไป เวทนานักก็หายอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีระบบปกติแต่ร่างกายปกติทุกอย่างมันเดิมแต่ว่าที่สําคัญคือท่านเหนือสิ่งเหล่านี้คือรู้แล้วก็วางทันทีรู้แล้วก็วางทันทีคือสิงเหล่านี้ไม่สวัสดีกระทบกับทําอะไรทันได้มีเหมือนกันหมดแต่ทําอะไรทันไม่ได้เพราะท่านรู้ท่านก็วางคือรู้ทันเมือนเรารู้ทันเด็กอะเด็กแสดงกิจการยังไงก็รู้ทัน แต่เราก็ไม่ได้ถูก ด, ดูแค้นรู้ลรงกระจกได้แต่มีความสังเวชมีความสงสารความสลดเกิดขึ้นโอ้เมืม่อไรจะได้รู้แจ้งจริงจริงตามความเป็นจริงอันนี่คือเจตของครูบาอาจารย์ที่เมตตาผู้เราสมมาทุกรุ่นทุกยุคทุกสมัยท่านก็เป็นอย่างนี้เป็นเสมอเหมือนกันทุกคนกถือว่ามีท่าทีกัน5ส่วนเพศสภาพก็แล้วแต่แต่ที่เท่ากันคือท่า 5. ทีากันหนาเท่ากันเกิดเหมือนกันหมด ไม่เหมือนด้จิตใจกันนะไม่เหมือนด้านมันต่างกันที่สัญญากับปัญญาน่หละใครจะเข้าใจตรงนี้มากก่อนถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ยังใช้สัญญาอยู่นี่แหละมันยังติดมันยังคล้องก็เพราะว่าสัญญานี่ยสุดท้ายสัญญาหนึ่งถึงบอกว่ามันเหมือนเป็นเชือกรูมากกับมันกับพันตัวเองไม่สมาธิหลุดที่จะพ้นได้เสีย ง, งกรอกก็อนกันจิเรามีอยู่ไปกลายเป็นเครื่องพันธนาการตัวเองจิตรามีมูลทั้งหมด ที่มันเพิ่มจากชีวิตเกิดมาคนเดียวเกิดมาครั้งเดียวเกิดมาคนเดียวแต่สิ่งที่มันตามมาเยอะแยะมากมายที่จะเป็นภาระที่เป็นทุระที่เป็นพันธะที่จะโผลมัดของเราเป็นทุระก็ตํางหน้าที่เป็นภาระที่ต้องนำที่ต้องสแสวงต้องบริหารที่ต้องจัดการเป็นพันธะคือเป็นเครื่องโผลมัดตัวเราเองสุดท้ายก็ดิ้นไม่หลดุด เราเนี้ยจะเป็นกลายเป็นภาระเป็นทุระเป็นพันธะที่จะผูกมัดเราทำแบบไม่สว่ารที่จะดิ้นหลุดจากสิ่งเหล่านี้ได้ังนั้นการปฏิบัติธรรมจึงเป็นเรื่องสําคัญมากมากในชีวิตประจําวันดังนั้นเราทั้งหลายก็อย่าท้ออย่าถอยมากน้อยไม่ป็นท้อ ส, สม่ําเสมอเหมือนกินข้าวนะวันนี้ไม่กินข้าวได้ไม่ได้ทำอะไรทได้อดได้ไหมอดได้ ใจหิวมัวมว้ยหิวก็คือเวทนาเนี่ยที่ว่าก็คือเวทนาประมาณมันจะเป็นยิ่ต้องทําทุกวันมากน้อยไม่เป็นไรอย่าง ก, กุมแ์เมฆกบาจารย์นะก็มื้อเดียวก็ต้อมาอยู่ได้ก็คือเพื่อบาบัดเวทนาเพื่อร่างกายไดาสี่การหาอยู่ได้เพื่อให้ทําหน้าที่ของมันอยู่ได้กลไกของมันทาไม่ป้อนเลยก็ไม่ได้กบะจานทร์บางองค์ อ, อ, อ, อดสามเดือนสี่เดือนอดเพื่อให้รู้ ฐานไม่ได้ไปลอดแล้วมันจะสําเร็จมากคนที่ผ่านมันไม่ใช่มันไม่มีแต่ให้รู้ว่าเออเวทนาเมันมาแรงการสามารถอยู่กับมันได้ยังไงมันก็ทําแต่พวกเราไม่จะเป็นถึงขนาดนั้นเอาถึงขนาดนั้ น, เนะเอาเป็นอาตายเพื่อสนองควาอยากกินอยากอยากกินอะไรกินกินกินกินอยูนอกแตกให้รู้ว่าเออมันก็แค่นี้ผมจะกินอะไรน้องปตูตืนะ้นมันอยากอะไรอยากกินก็ร้องกินกินกินเป็นกระลำมัง ยังเสื่อมกับกินประชดไปเ ง, นะงีะบอดเออบลังเรารู้แล้วอย่างเงีเป็นตอนไม่คืครูบาอาจารย์นะปฏิปทาแต่ละองค์ก็จะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรามันไม่ใช่ว่าวันสองวันก็ทําได้สุดท้ายก็คือวาสนาบาราีของแต่ละองค์แต่ละท่านปฏิบัติมาทํามะเหมือนแต่พวกเราก็จะเป็นน้อย อ, อกน้อใจว่าวสนาบาลาีเราน้อยไม่อยู่ดีความเพียรเดือดเดือตัวเร่งแบบ เรามากน้อยขนาดไหนอันนั้นต่างหากมาื่รู้ว่าบารมีเราน้อยก็เพิ่มรู้ว่ากิน ข, ข้าวน้อยอยู่กินข้าวเยอะถ้าอยากให้มันอิ่งอยากให้พอเพราะอิ่มเสร็จมันก็พอและ้ะใส่แลไรเข้าไปก็ไม่ได้ละอิ่มหรือยังอิ่มแล้วน้ําก็เขามไม่ได้พลไม้ก็เข า, าไม่ได้อร่อยขนาดนันก็เข้าไม่ได้เพราะมันอิ่มเพราะมันพอใส่เข้าไปไม่ได้แล้วจิตของเรากับมันกันถ้ามันปิติมันอิ่มแล้ว มันทีเข้าใจเสียงเหล่านี้ตรงการข้ามถ้ามันยังห้อยหาอยู่มันก็สแสวงหาอยู่มันก็ไม่เติมมันก็พร่อมเราก็ยามเติมเติมเสียงนี้ทำมันเยอะๆในชีวิตประจำวันอันน้นก็พอเป็นกําลังกายเป็นกําลังใจให้พวกเราทุกคนอย่าประมาทในชีวิตในวัยว่าเออไม่ตายง่ายๆนมะันไม่ได้ะปราช่วงนี้ตายไปสองร้อยกว่าช่วงสองกันเกือบสามร้อยเข้าไปแล้วเป มันช่วไม่ตา ย, ยางไงนะมันพวกเราถือว่าโชคดีที่จะมีโอกาสที่อยู่เพื่อทำความดีวันนั้นในความโชคดีก็พยายามเร่งทําความดีเยอะๆเพื่อทำความไม่ดีให้มันน้อยลงอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาระที่เราจะต้องทำในเชิงเดียกันเป็นพันธะเป็นครอบคกมันเราจะต้องทำสิ่้นนี้ให้มันดีขึ้นถ้าตัวอย่างเป็นเป็นฐานที่ดีเป็นภาระที่ดีเป็นบันธะที่ดีเป็นธุระที่ดีเราก็เป็น เป็นไปในทางที่ดีคือดีขึ้นคือเจริญ น, นั่นเองนั ược ược ้นก็ขอให้เราทั้งหลายได้ความสุขความเจริญตามตามสุภาพตามกําลังอยู่ในโลกก็ให้เจริญแบบทางโลกอยู่ทางธรรมก็เจริญทางธรรมขอเราทั้งหลายได้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมทุกคนทุงทันเดริ